ข้าทเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, านีแสดงธรรมในวันที่3เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าการคุยกันควรเคารพสถานที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สม เมษายนพุทธศักราช2559พระในวัดของเราวัดนี้ทั้งหมดมีอยู่41รูปนะพระ41รปูปที่ลงมาฉันทั้งหมดขณะนี้30ท่านไม่ฉัน10 41องค์การภาวนาของท่านเป็นเรื่องของท่าน ฉันคงฉันเพียงพอแล้วก็งดไปก่อนฉันงดไม่ฉันเนี่ยนะพระทั้ง40กว่าองค์เห็นไหมพวกกทัทจัตธาญาติโยมพวกเราเข้ามาสู่วัด ต, ต้องสังเกตพระทําไมท่านจึงไม่คุยกันพระทั้ง40กว่าองค์พวกเราเข้ามาคุยกันชัดไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะราคาญ พระดานงพ่อจึงบอกว่าจะไปคุยกันเนี่ยดูหนังสือคติธรรมที่ขึ้นป้ายอ่านเอาสิเขียนว่าอย่งไงจะเกิดประโยชน์กว่าที่เราจะมาคุยกันตาออกจะคุยกันออกไปข้างนอกก็ได้ไปคุยกันอยู่นอกศาลาหรือว่าโทรศัพท์ผ้ากันก็ได้คุยกันทั้งวันก็ได้พระในวัดของหลวงพ่อไม่ล่ะถ้าเขามาอยู่ในศาลาเนี่ย หลวงพ่อจะไม่ให้พูดคุยเสียงดังหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวถ้าเห็นพระคุยกันเสียงดังเนี่ยท่านจะขู่ทันทีท่านว่ามันเป็นยังไงมันทําไมหูกับปากตัวเองมันไม่อยู่ห่างไกลกันแต่เราอยู่ไกลๆทําไมได้ยินทําไม มันคุยทำไมคุยดังมาก เ, าเดี๋ยวจะหาไม้ไปปิดปากเอาไว้หลงตามหาบัวท่านจะเอาไม้ไปปิดปากท่านไม่ใช่เอาผ้าปิดปากเอาไม้มาปิดปากเพราะ น, นั้นเราไปน่าจะทานที่ใดต้องสังเกตตรงไหนที่ท่านต้องการความสงบเราก็ต้องอยู่ในความสงบ ถ้าวัดท่านไปที่ไหนท่านต้องการคุยกันกลุ่มนั้นคนคุยกันเราจะไปนั่งตะมับเพียบนั่งหลับตายได้ยังไงเพราะมันผิดสถานที่ เ, เราไปดูหมอลําซิ่งหมอลมําหมูดูหนังดูละครนะในจุดนั้นเขาไซโยของหิ้วตกไม้ตกมือกระโดดโลดเต้นเราจะไปนั่งตะมับเพียบหลับตาปี มันก็เข้ากันไม่ได้แต่ถ้าเรามาอยู่ณสถานที่อย่างนี้เราจะมาพูดมาคุยสโยโฮโหหิวหอเราเออ้อกักมันก็ไม่ใช่สิไม่ใช่สถานที่อีกเหมือนกันสรุปแล้วคือให้รู้จักการสถานที่บุคคลเราไปณสถานที่ใดเราควรจะรู้การวางตัวของเราอย่างไรไม่ใช่เราไปาไปเขาจะ เจาภาพเ้าก็เก่งใจเ้าก็ไม่กล้าพูดตัวเองก็นัไ้ไม่รู้จักความมาพูดง่ายๆไม่รู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลพวกเรานะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังอันนี้ก็คือเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อัตถันยุตตา อัฏฐานยุตตามัฏฐันยุตตาอัฏฐานยุจตาให้รู้จักการเป็นอยู่รู้จักเหตุรู้จักผลอัฏฐานยุตตาให้รู้จักเหตุเหตุนี้มันมาอย่างไงผลนี่มันมาอย่างไงอัฏฐานยุตตาอัตัานยุตตาให้รู้จักตนตนว่านโดยชาติตระกูลยศถาบรรดาศักขนาดนี้ควรจะวางตนอย่างไร มัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคเรามีเงินคำทรัพย์สมบัติขนาดนี้เราควรจะปฏิบัติตนอย่าตัอย่างไรปริสัทยุตาชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้าไปหาคนปฏิบัติตนอย่างไรปุคลาก ร, รโอปรันยุตาบุคคลคนนี้คนกลุ่มนีุ้คลรบุคคลกลุ่มนี้เข้าไปเราควรจะวางตนอย่างไร สรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาให้ไปใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตของตนเองถ้าว่าพวกเราดำเนินชีวิตของตนเองด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้น่ยออหกอย่างเนลวงพ่อไปนะักสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลาย แต่ทุกวันนี่เวลาพระไปสวดอภิธรรมพระก็สวดไปเรื่อยสวดให้ผีฟังแต่คนมาฟังอภิธรรมกันคุยกันสมอ ง, ง, ง, ง, งกรมงโสงเสียงมันไปดูดูแล้วมันยังไงคือการสวดอภิธรรมก็คือถึงจะสวดเป็นภาษาบาลีแต่ก็เป็นการกล่าวธรรมกล่าวธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้กับพวก คนฟังคนที่มาฟังให้ฟังอย่างน้อยก็ให้รู้จักได้ข้อหนึ่งก็ยังดีถ้าเราสังเกตแล้วเราสนสนใจถ้าเราได้ศึกษาถ้าเป็นสวดกุศลาธรรมาจิตใจที่เป็นกุศลที่การคิดการนึกการกระทํำอะไรก็ตามที่เป็นกุศลคิดเป็นกุศลทำเป็นกุศลพูดเป็นกุศล กุสลธรรมมาอกุสลาธรรมมาคิดที่เป็นบาปคิดที่เป็นอกุศลที่เป็นบาปรำที่เป็นเป็นบาปพูดที่เป็นบาปอัพยากตาธรรมมาที่ทําไปลงไปแล้วไม่ไม่บาปแล้วไม่บุญเป็นกลางกลางเราอัพยากตาธรรมมาแต่ท่านแตงกัติยาขยายผลเลยสิกุสลาธรรมมา คืออะไรอกุศลธรรมะนั่นคืออะไรอัพยากตาธรรมะนั่นคืออะไรเนี่ยที่แปลในการสวด อ, องานศพทั้งหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านสวดให้คนคนเป็นฟังนะแต่คนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วจะไปสวดได้ยังไงปอมปิดหูปิดตามหมดแล้วเพราะนั้นเราไปในงานศพของเขาเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าภาพเขา ให้เกียรติคนที่ตายเพราะเราไปงานศพเขาเราไม่ใช่ไปที่อื่นเราไปเพื่ออะไรเราไปเพื่องานให้เกียรติเขาใช่ไหมไปงานศพหรือเรารือเราไปคุยกันรเราเออข้าพเจ้าไปงานศพข้าปเจ้าไปคุยกันพูดดิสิเอาอย่างงั้นใช่ไหมเขาเชิญมาให้คุยกันอย่างงั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดหมดเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้ว เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วควรจะสำนึกได้ไม่ใช่ไปอลไวกันนะนั่งคุยกันคมวิงสงสิงไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเกรงใจไม่ให้ความครบศพผู้ตายอีกต่างหากญาติพี่น้องของผู้ตายอีกต่างหากผู้ญาติพี่น้องของผู้ตายน้ำตาหลังน้ำตาไหลคิดถึงผู้ตายสลดหดหูจิตใจพวกเราไปไปนั่งคุยกันหัวเราว กระจักซักซีดูแล้วมันยังไงสิ่งเหล่านั้นเราเปว่าไม่รู้จักกาลเทสะการสถานที่บุคคลสถานที่อย่างนี้เขาเข้ามาเราอย่างน้อยก็เราต้องอยู่ในความสงบทาไม่ร้องไห้กับเขาก็นานดะอยู่ในความสงบเสร็จแล้วออกไปทานอาหารมีอะไรยัยงค่อยคุยกนะันในวงอาหารในขณะที่พระสวดเราก็ต้องฟัง ปนมมือฟังโดยความตั้งใจเขาครบรพในการฟังเพราะเขาสวดให้กับผู้ตายฟังเรามานั่งคุยกันพวกเราคิดดูสิที่หลวงพ่อพูดผิดหรือถูกเนี่หลวงพอ่อหลวงพ่อพูดถูกแล้วหลวงพ่อยังพูดให้พวกลูกหลานฟังแต่คำอย่างนี้น่หาฟังได้ยากนะไม่มีใครที่จะพูดได้ไง่ายๆเพราะอะไรเพราะเกรงใจ แต่หลวงพ่อไม่เกรงใจนะพูดตามความเป็นจริงแต่ตรงไหนมันถูกพูดตามเรื่องว่ามันถูกถ้ามันผิดแล้วจะถูกได้อย่างไรอถ้ามันถูกแล้วจะผิดได้อย่างไรหลวงพ่อพูดด้วยหลักเหตุผลอหลวงพ่อพูดที่นี่กัเสียงดังกระจุยกระจายไปพอสมควรนะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรเพราะหลวงพ่ออยากจะให้มันได้ยินกับทุกคนน่ะ ได้ยินกับทุกคนจริงไหมที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อยังถามอีกถามอีกอย่างนั้นอีกนะถามกับ ช, ชุมชนสังคมในทุกวันนีนะ่ที่มันมีอยู่นะที่ไปเห็นตาม ง, งานต่างๆนะจริงไหมแต่หลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ออกชุมชนสังคมนาน น, านทีแต่ออกไปก็ไปเห็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว จึงได้นํามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพระเนตรลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยไปนสถานที่ใดให้รู้จักการเทศะการสถานที่บุคคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าเข้ามาพวกเราปฏิบัติตนทูกตามหลักเหตุและผลแล้วไปนสถานที่ใดราบรื่นนะลูกหลานนะไม่ขัดไม่ขวางไม่ขวางหูขวางตา บันทิตนักปราชญ์แต่ตัวเองไม่รู้หรอกไม่รู้ตัวเองไม่รู้มันไปเรื่อยในการพูดแต่คนที่เห็นนัะนนะมองดูแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะรู้จักกาลเทสานะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราในแนวความคิดหนึ่งให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรณพรนะท่นที่นะ